ให้สูงดุดยกธงนี่คำแปลมานะอันบังเกิดความมืดมนยิ่งนักสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงพิชิตสัจจกะนิครนด้วยพระญาณอันรู้อัจฉาสาัยสัตว์และตรัสเทศนาเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าด้วยพระปัญญาทรงสอนให้สัจจกะนิครนที่หลงตัวเอง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 ชื่อนันโทปนันทะโดยทรงให้พระมหาโมคคลานะเถระจำแรงกายเป็นนาคราชทรมานนันโทปนันทะนาคราชผู้มีมหิติริษอันเป็นมิจฉาทิฐิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตนันโทปนันทะนาคราชด้วยวิธีอันให้ซึ่งอุ ป, ปเทศแห่งริษแก่พระโมคคลานะเทระเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจง บรรดาให้เกิดสวั ส, สดิ์สวัสดิ์ใจมงคลพญานาคคราชเจ อ, อพญานาคเนะียราชแปลว่าพญานั่นแหละหรือเปล่านนะีพญานาคชื่อนันโทปนันท ะ, สะแสดงตนว่ามีฤทธิ์กว่าพระพุทธเจานะ้าพระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามันเรื่องจิ๊จ้อยก็ไม่ทรงกระทําด้วยตนด้วยพระองค์เองแนะวิธีให้พระมหาโมฆลาชจัดการกับนาคราช เพราะนาคราชนี่ก็น่าดูเหมือนกันริดมากเหมือนกันกระทรงแนะนำว่าให้ทาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระมหาโมคคลานะก็เลยจัดการน้าคาราทไม่ทราบไปเอาไปต้มยำหรื อ, อยังไงแต่ว่าจับก็กกหมดริดนั่แหละเนี่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยนั่นแหละอันนี้ก็แปลว่าเพระองค์ทรงใช้อุปเทศหรืออุปเทฆะก็คือแนะวิธี อุบายวิธีทำฤทธิ์เอาชนะนันโทปนันทะนาคราตนั่นนั่นเองให้แก่พระมหาโมคคลานะแสดงเอาบทอีกบทหนึ่งบททุกขาดำเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จประสัมาสมุทเจ้าทรงพระจนด้วยพระกาพรมแม่นี่ก็จอมฤทธิ์เหมือนกันนี่เป็นพรหมเนเป็นพรหมซึ่งเป็นมหาพรหม อันสําคัญตนว่ารุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์เป็นผู้มีฤทธิ์มีมืออันอสอรพิษคือทิฏฐิคือเป็นมิจฉาทิฏฐิว่างั้นนะถือตนอันถืออันตนถือผิดบ่มิได้ละวางพุณง่ายง่ายก็คือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะพรหมเนี่ยพรหมรูปนี้นะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตระกาพรหมด้วยวิธี อันประกอบถึงโอสดกล่าวคือเทศนายานก็คือทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดจนชนะจนพรมเนี่ยก็ต้องยอมพูดอย่างง่ายๆเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลนะกล่าวนี้ขอจงรนุนบรนดานให้เกิดสิริสวัสดิ์ใมงคลทีนี้คำสุดท้ายเอตาปิพุทธชัยมังลคาท า, ายโยวาจโนทินาทีเนสาราเตมตันทีนี่เนี่ยว่าอย่างนี้นะ คำแปลก็บอกว่าอันว่าบุคคลใดประกอบด้วยปัญญาบอมิได้เกียรติคราญจะสวดก็ดีจะระลึกถึงก็ดีซึ่งพระคาถาทั้งหลายทั้งแปดบทอันสันเสริญซึ่งชัยมงคลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆวันอันว่าบุคคลนั้นละเสียแล้วคือละนะละเสียแล้วซึ่งภัยอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอันมากพึงได้ซึ่งสิวโมกนรพาน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 ตรมงคลแก่ตัวป้องกันภัยได้นะป้องกันภัยได้และให้ถึงเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิตนำไปสู่ความเจริญถึงมรรคผลนิพพานได้ภาวัาดําเนินตามนี้ก็คือบำเพ็ญบารมีสิบทัศน์นั่นเองนะบำเพ็ญบารมีสิบทัศน์นั่นแหละนี่ทั้งหมดเนี่ยจึงว่านำไปสู่การบรรลุหรือเป็นทางให้ถึงมรรคผลนิพพานันี้ก็ใช้ภาษาว่าสิวโมก นี่เป็นความหลุดพ้นนีนรพานก็ก็คืออันเป็นเอกันแต่มรมสุขพูดอย่างง่ายๆก็คือถึงพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นมรมสุขนั้นนั่นเองนั่นตลอดกาลอันนี้ก็แปล อ, อ่านให้ฟังแล้วก็พยายามชี้แจงให้ฟังในรายละเอียดนะเราดูอีกนิดนึงว่าเขามีคำถามอะไรอีกเสเผื่อว่าจะสมควรตอบก็จะรีบตอบ อ๋ออันนี้พระท่านถามนะพระที่วัดผมฝากถามมาว่าคําว่าสัมมาอาระหังย่อมาจากมนบทไหนหน้าที่เท่าไหร่โอ้โหถามลึกเลยส่วนใหญ่คุ้นเคยแต่คําว่าอาระหังสัมมาสัมพุทธโธนะก็อันนี้ก็เป็นสองคำมาประกอบกั น, กนจากพระพุทธคุณนั่นแหละอิติีปิโสพัคหวา น, นั่นแหละ นะที่เราว่าในอรหังสัมมาสัมพุโทโธนั่นแหละก็ขึ้นต้นว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบก็เอาคำหนึ่งมาใช้ว่าสัมมาอันนี้หมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าคำว่าอรหัง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 ก็คือว่าควบพระพุทธคุณทั้งหมดนะฮะพระพุทธคุณเก้าอย่างคนะวบหมด ย, นะย่อมาเป็นพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าสัมมาอระะหังนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าผู้ที่เข้าใจบาลีก็ยกมาว่าสัมมาแปลว่าโดยชอบสัมพุทโธ ก็ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยดีโดยชอบก็ได้โดยดีก็ได้เมื่อรวมกันเข้าเป็นสัมมาสัมพุทโธอารหังก็แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสประกอบกันเข้าหลวงพ่อท่านก็เลยใช้สัมมาอารหังสัมมาอารหังนี่และแท้ที่จริงนี่พระคุณเจ้าก็โปรดทราบและโยมก็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 ข้ออื่นๆโอ้มีคนถามก็ควรรีบตอบซะด้วยรีบตอบซะด้วยขอตอบใบหนึ่งก่อนนะอืมต้องสองใบละแม่มีนของหน้าตอบเท่านั้น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 ที่อดีตก็ตามที่จะมีต่อไปข้างหน้าก็ตามขอกันอย่างนี้ปีนึงขอสองครั้งเป็นอย่างน้อยบอกกันไว้เพียงเพราะฉะนั้นญาติโยมใดที่มาอาจจะมาช่วยทําโน่นทนํานี่แม้บางอย่างก็อาจจะช่วยตกแต่งต้นไม้หรือทําอะไรอะไรที่ได้รับอนุญาตจากสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงฆ์ที่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 หนึ่งพ่อแม่สองผู้เป็นอุปถาษได้ทําได้อันนี้ก็ถือเป็นข้อยกเว้นยกเว้นเช่นว่าพระเนี่ยอย่างอาตมาเนี่ยใครถวายของมาจะฉันเนี่ยอาตมาอาจจะแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งนะฉันหน่อยหนึ่งแล้วก็อาจจะแบ่งแบ่งเอาเน้นเอาไปนี่เน้นอุปถาษอยู่นะหรือฉันเสร็จแล้วเหลือเอาโยมเอาไปฉันไป นี่อย่างนี้ได้และอาตมาก็ทำอย่างนี้นะแต่ถ้าเอาไปให้เฉยๆอื่นๆโดยพระการไม่ถูกผิดผิดเท่าไหร่ตามพระวินัยสงฆ์อาตมาจะไม่พูดพูดูเทนิพอพระทันรูพระวินัยสงฆ์มีนะเป็นไปตามพระวินัยพุทธบัญญัติ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 เช่นว่าให้ผู้นี้เพราะเขามีบุญคุณต่อวัดก็ขอรับอนุญาตจากสงฆ์ให้ให้ได้ี่อัตมามีแจกพระโดยเหมือนกันนะแจกพระพระมีเนี่ยบางทีก็แจกแต่ในวงจำกัดว่าคนนี้มีบุญคุณต่อวัดให้อย่างเช่นให้กรรมการวัดเนี่ยอัตมาใหนะ้บอกซะก่อนกรรมการวัดหรือกรรมการมูนิธิซึ่งเขาร่วมเป็นร่วมตายกับเรามา ถ้ามีพระอะไรดีก็ให้นี่ให้อย่างนี้แต่ว่ามีวัตถุประสงค์มีหลักการจดไว้ด้วยว่าให้อะไรแก่ใครในกรณีที่เป็นเรื่องสาคัญอย่างเรื่องพระนี่จดเลยพระที่อยู่กับอัตมาในพระมหาอธิโชคเป็นคนจดบอกว่าวันนี้ให้อันนั้นคนนั้นไปเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้นี่อย่างนี้นะที่วัดนี้เราทาเพราะวัดนี้เราเรานอกจากเท่านี้แล้วแม้แต่สตางเราก็ไม่ได้มา นั่นนะทำบุญมาเนี่ยอาตมาเนี่ยถ้าไม่มีใครกาหนดไว้ว่าเอาน่าให้ถวายลุงพ่อใช้ส่วนตัวทุกองในนี้รวมไปหมดแม้แต่อาตมาเองเนี่ยจะไปที่ไหนคนถวายมาไม่ว่าจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าไม่ระบุว่าเป็นส่วนตัวเข้ากองกลางหมดให้เขาใช้มาใช้ร่วมกันลูกเนรที่อยู่ด้วยได้เงินเดือนหมดเคยเล่าให้ฟังแล้วเพราะเรื่องนี้เราก็กลัวเหมือนกัน บวชเป็นพระแล้วขาดทุนนะเผลอไม่ได้นะแต่เผลอแล้วก็เสียเลยนะเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าก็บอกบอกต่อๆกันว่าอย่าได้ประมาทประมาทไม่ได้พระนี่ประมาทไม่ได้ทุกคนแหละโยมก็ประมาทไม่ได้เนร์นก็ประมาทไม่ได้ไปนรกเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้พระเอาเดี๋ยวนี้ลูกเนรหลายคนแล้วนะปฏิบัติถึงธรรมกายเดี๋ยวต่อไปจะให้ตรวจพบตรวจจักรวาลให้ไปดูนรกมั่งว่ามาจากไหน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 เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพวกเราที่เราเสียสละกระทานี่กระทาเพื่อช่วยพวกเราเพื่อช่วยพวกเรา น, ะรานะนี่อย่างนี้นะแล้วก็บอกใครๆมาให้พระมาไม่ค่อยมาหรอกที่มาก็เท่านี้ไม่ค่อยมาอย่านึกว่ารอดนะพระเผลอก็อไปเพียงแต่ฉันไม่ได้พิจารณา นั่นแหละพระพุทธเจ้าว่าฉันด้วยความเป็นนี้ไม่ได้เข้าของอะไรจะไปให้ใครอะไระ ไ, รไม่ได้โดยพาระการของสงอาตมาไม่ได้ให้นะถ้าจะมีให้ก็โดยหลักเกณฑ์เสมอกันหมดไม่มีข้อยกเว้นลูกอาตมาอยากได้พระเนี่ยอยากได้ก็เอาไปซีองค์หนึ่งเขาทำบุญห้าพันก็เอาห้าพันมา ไม่มาก็ไม่ให้ก็ยังเงี้ยเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล่นนี่พระดีในองค์องค์งงเล็กนะ่ะเทพนิมิตนะ่ะตอนทําบุญกรถินพระป่าก็ผู้นําบุญกระถินก็สองหมื่นผู้ที่ถวายหรือหาเงินมาในขณะนั้นก็ต้องหมื่นสองแต่เดี๋ยวนี้ลดให้เป็นห้าพันบอกว่าเขาอยากได้บอกอยากได้เหลือเกินหลวงป่าบอกเอออยากได้อยู่เฉย มีเงินก็เอามาจนกระทั่งเอาละพอเสร็จงานแล้วอาตมาก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเห็นแก่ญาติโยมอยากจะได้ของดีเอาไว้เพราะของนี่ดีอย่างไรอย่างไรเนี่ยพระวัดนี้เขารู้เขามีประสบการณ์นะฮะแต่อาตมาก็พูดไม่ได้อีกแหละแต่ก็บอกว่าดีมากไอ้ลูกก็อยากได้เพราะมีเทวดาไปเข้าฝัน กับลูกเขยแล้วไปอีกหลายแห่งเทวดาเนี่ยไปบอกหลายคนไปแสดงคล้ายๆกันนะ่ไปแสดงอย่างนี้เอาจะบอกให้ตรงนี้พอเล่าได้ไปแสดงเลยเนี่ยอาตมามีลูกเขยคนหนึ่งใส่พระที่กรุวางหน้าที่ หลวงปู่เทพโลกอุดรสร้างนะเป็นพระที่มีอนุภาพสูงที่สุดในขบวนพระทั้งหลายเทว่าพระเครื่องเนี่ยอนุภาพแรงที่สุดคือหลวงปู่เทพโลกอุดรนะแกก็ฝันไปไอ้ฝันนั่นคือฝันเคลิ้มพระเป็นคนนั่งภาวนานะวันหนึ่งประมาณสามสี่ชั่วโมง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 บอกว่าที่ท่านแขวนพระเนี่ยดีรัศมีมากแล้วก็ยกของเทวดาเ ข, ขาเนี่ยยกมาดูแต่องค์นี้นะองค์ที่ท่านแขวนเนี่ยสว่างเหมือนอาทิตย์ในตอนเช้าแต่องค์ที่เทวดาแขวนนี่เขชูให้ดูเนี่ยบอกสว่างเหมือนพระอาทิตย์เที่ยงวันแกก็ตื่นเลย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 ที่ญาติโยมสาธุชนรับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นสารธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งต่อจากคราวที่แล้วในเรื่องตำนานของคาถาพาหงุงพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านก็ได้อธิบายขยายความให้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการได้รับฟังไว้แล้วว่ามีความเป็นมาอย่างไรในแต่ละบทในแต่ละบทนั้นพระสงฆ์ท่านสวด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 ในบทบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังซึ่งเป็นบริกรรมภาวนาในการปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณน้อมเข้ามาสู่อย่างใจผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและยังมีปกรณะธรรมเล็ก ๆ, ๆน้อยๆในช่วงต่อจากนั้นที่รายการธรรมะสู่สันตินำมาฝากท่านสาธุชนในวันนี้ก็เป็นธรรมะเบาๆสบายๆ คิดว่าสาธุชนผู้ฟังรายการในช่วงนี้ก็คงจะได้ความรู้และสารธรรมสำหรับรายการธรรมะส่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอความสุขความจเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร